จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห5 8เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันมงคลเอกวัน น, นเพราะเป็นวันที่ เราจะได้มากระทาเหตุที่จะทำให้เกิดความเป็นเสรีมงคลแก่ชีวิตของพวกเราดังที่พรกจุเจ้าได้สรงตัดไว้ว่าบูชาจะบูชนเรียนางเอตังมังกามุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งบุคคลใดที่เป็นบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็เป็นบุคคลที่มีพระคนตต่อพวกเรานั่นเองเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคล ที่มีพระคุณเพรามทำแต่ประโยชน์ทำแต่ความดีไม่สร้างความเดื อ, รอดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้การได้บูชาบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเช่นการบูชาบิดามารดาอันนี้ เป็นเหมือนกับการได้บูช า, า, า, ราพระอรหันต์พระบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆผู้ใดลูกคนใดได้บูชาพ่อได้บูชาแม่ก็ถือว่าได้บูชาพระอรหันต์คือได้บุญได้กุศล ม, มากได้ความสุข ได้ความเจริญมากนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นวันพ่อเป็นวันที่ทางราชการได้ตั้งวันหยุดไว้เพื่อให้ลูกๆทั้งหลายได้มารำลึกถึงพ่อคุณของคุณพ่อและคุณแม่เพราะคุณพ่อและคุณแม่เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากต่อ ลูกๆเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแมก่ก็จะไม่สามารถมีลูกๆได้ลูกนี้เกิดมาได้เพราะมีคุณพ่อและมีคุณแม่นั่นเองบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกๆนี้จึงยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าบุญคุณต่างๆของผู้บุคคลของพ่อแม่นี้ ใชีวิตกับเราถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีร่างกายที่เราเอาไว้ใช้ทำอะไรต่างๆหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เป็นของพ่อของแม่ ที่มอบให้กับพวกเราพวกเราจึงควรลำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ล้ำลึกเราจะลืมเนื่องจากชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์อะไรมากมายที่เราต้องพบที่เราจะต้องออเผชิญมีภารกิจการงานต่างๆมากมาย ที่เราจะต้องทําถ้าเราไม่คิดถึงพ่อถึงแม่เราก็จะลืมได้เมื่อเราลืมเราก็จะไม่ได้ไปกราบไหว้บูชาไม่ได้ไปทดแทนพระคุณของบิดามารดาเราก็เลยกลายเป็นคนอักตันยูไปได้คนอักตันยูก็คือ คนที่ไม่สำนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่คือไม่ใช่เป็นคนกตาญญูนั่นเองคนอกตานยูนี้ก็ยังดีกว่าคนเนรคุณคนเนรคุณนี่ร้ายกาจกว่าคนอกตาญยูคนอกตาญยูเพียงแต่ลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่แต่ยังไม่ถึงกับเนรคุณ การว่าในรคุณก็คือการทำลายบุญคุณของพ่อแม่ด้วยการทำร้ายพ่อแม่บุคคลที่ในระคุณนี้ก็มาจากคนอากตัญยูก่อนคนที่ลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าไม่ลํำลึกอยู่เรื่อยๆไม่คิดถึงอยู่เรื่อย ก็จะทาให้หลืมนได้แล้วพอเวลาเกิดความโกรธคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาก็อาจจะไปทำร้ายคุณพ่อคุณแม่ได้พอทำร้ายแล้วก็เรียกว่าเป็นการเนรคุณอย่างนั้นเพื่อให้เราไม่เป็นคนเนรคุณเพื่อไม่ให้เราเป็นคนอากตัยูเราต้อง และมันลำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ยุหรืออยู่ไกลวิธีที่จะทำให้เราลําลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็คือให้เรากล่าบพ่อกล่าวแม่ทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนก็กลาาเตื่นขึ้นมาก็กลาว หลังจากที่เรากลาบพระกลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เรากลาบพ่อกลาวแม่ถ้าเรามีการกระทำอย่างนี้เป็นประจำเราก็จะไม่หลงไม่ลืมเราจะคิดถึงพระคุณอันดีงามของคุณพ่อคุณแม่ที่อุตสาห์อดทนบากบังเลี้ยงดูเรามาด้วยความทุกข์ยากลำบาก ยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของลูกๆถ้าไม่มีอาหารหรืออาหารไม่พอรับประทานพ่อแม่จะยินดีสละอาหารให้กับลูกๆ ก, ก่อนพ่อแม่ยอมอดยอมทนไปก่อนเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วพอโตขึ้นก็ยังต้องหาเงินหาทอง มาส่งเสียให้ไปโรงเรียนให้มีการศึกษาให้มีวิชาความรู้ต่างๆเพื่อจะได้มีวิชาชีพว่าเลี้ยงชีพของตนต่อไปพ่อแม่นี้มีแต่ให้อย่างเดียวไม่เคยต้องการอะไรจากลูกลูกเลยสิ่งที่พ่อแม่ต้องการก็จะความสุขความจเจริญของลูกๆูกกนี้เท่านั้นและบางครั ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสั่งสอนมีการว่ากล่าวตักเตือนมีการลงโทษแต่การกระทําเหล่านี้ไม่ได้ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เลยทําเพื่อลูกๆถ้าลูกทําอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยห้ามปราม เพราะว่าถ้าไม่ว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามแล้วจะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วทําผิดแล้วก็คิดว่าไม่ผิดก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําความผิดมากขึ้นไปยิ่งโตขึ้นไปเท่าไหร่ความสามารถที่จะทําความผิดก็จะมีมากขึ้นไปจนถึงกับขัน้นฆ่าผู้อื่นได้นังมีเรื่องของ ชายคนหนึ่งที่ไปฆ่าผู้อื่นแล้วถูกลงโทษประหารชีวิตก็มาโทษพ่อแม่ว่าไม่สัง่งไม่สอนพ่อแม่ก็รักลูกกลัวลูกจะเสียใจก็ไม่กล้าสัง่งไม่กล้าสอนไม่กล้าวว่าไม่กล้าว่ากล่าวาาตักเตือนปล่อยให้ลูกทำผิดไปเรื่อยๆลูกก็เลยคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เสียหายไม่ผิด ก็เลยทําไปพอโตขึ้นมาก็ถึงกับไปทําอาณาปานาติบาไปฆ่าผู้อื่นตายพอถูกจับไปลงโทษประหารชีวิตก็มาว่าพ่อว่าแม่หาว่าพ่อแม่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนพ่อแม่ไม่สัง่งไม่สอนดังนั้นหน้าที่ของพ่อแม่นี้จึงต้องสั่งสอนลูกๆทุกๆคน ลูกๆที่กําลังกระทําผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนลูกๆที่ทําความดีก็ต้องยกย่องสรรเสริญให้รางวัลเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ลูกๆได้ทําความดีไม่ให้กระทําบาปไม่ให้กระทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆพอโตขึ้นจะได้เป็นคนดีจะได้ไม่ไปทําอะไรที่จะต้อง ทำให้ต้องไปรับโทษในคุกในตารางหรือถูกประหารชีวิต น, นี่คือพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆลูกๆโตขึ้นมาเป็นคนดีเป็นคนมีฐานะมีความรู้ความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ก็เพราะความเสียสละของพ่อแม่สมัยนี้ เลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเป็นล้านเลยถ้าไม่มีลูกนี้เอาเงินล้านนี้ไปทำอะไรได้ต้องมากมายแต่พอมีลูกก็ไม่สามารถเอาไปทำอะไรตามความอยากตามความต้องการได้เพราะต้องเสียสลับเอาเงินทองนี้มาเลี้ยงดูลูกๆเราที่เป็นลูกๆจึงควรนํำลึกถึงพ่อคุณ อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเมื่อเราได้ลำลึกถึงพ่อคนแล้วก็จะทำให้เราอยากจะตอบแทนบุญคุณอยากจะให้พ่อให้แม่มีความสุขอยากจะให้พ่อแม่ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่เหมือนกับเราอยู่หรือให้อยู่อยู่ดีกว่าเรา อย่าปล่อยให้พ่อแม่นี่อยู่ทุกข์ยากลาบากกว่าเราการที่เราปล่อยให้พ่อแม่อยู่ทุกข์ยากลาบากกว่าเราก็แสดงว่าเราเป็นคนกระตันอยู่ไม่เห็นบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะหาความสุขให้กับตนเองโดยดึ่บุคคลที่มีพ่อคุณ เช่นพ่อเช่นแม่ดังนั้นเราจึงควรที่จะลำลึกถึงพระคุณด้วยการก่าบพ่อกราบแม่ทุกเช้าทุกเย็นแล้วลำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่มีโอกาสที่จะพบปะหรือติดต่อก็ควรที่จะพบปะกันติดต่อกันเยี่ยมเยียนกันสมัยนี้มีโทรศัพท์ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกง่ายดายทุกครั้งที่พ่อแม่ได้ยินเสียงลูกนี้เป็นเหมือนเสียงมาจากสวรรค์เพราะรู้ว่าลูกยังสบายดีลูกไม่เดือดร้อนลูกยังไม่เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาต่างๆถ้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงลูกๆแล้วพ่อแม่จะรู้สึกไม่สบายใจเพราะความห่วงใย ดังนั้นลูกๆจึงควรที่จะติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้บอกให้รู้ว่าอยู่อย่างสุขอย่างสบายและเพื่อจะได้ถามถึงสารทุกสุดดิดของคุณพ่อคุณแม่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สบายก็ได้ถ้าเราไม่โทรศัพท์ไปติดต่อไปสอบถาม เราก็จะไม่รู้ก็อาจจะปล่อยให้พ่อแม่ต้องอยู่บ้านโดยที่ไม่มีใครพาไปหาหมอใครพาไปโรงพยาบาลก็ได้หรือเวลาพ่อแม่เดือดร้อนขาดแคลนอะไรถ้าเราไม่ติดต่อไม่คอยสอบถามพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาขอจากเราเพราะความเป็นพ่อความเป็นแม่นี้เป็นผู้ให้ ไม่ใช่เป็นผู้ขอไม่ต้องการไม่อยากได้อะไรจากลูกๆอยากจะให้ลูกมีแต่ความสุขความสบายถ้าข อ, อก็กลัวว่าจะไปรบกวนดังนั้นลูกๆต้องคอยหมัน่นสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆว่าท่านขาดตกบกพร่องอะไรอย่าให้ต้องอย่าให้ท่านต้องขออย่าให้ท่านต้องพูด เราต้องดูต้องรู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังขาดแคลนอะไรเราต้องรีบหามาให้ ท, ทันทีเพราะในสมัยที่เราเป็นเด็กเวลาเราขาดอะไรนี่พ่อแม่หามาให้เราทุกอย่างขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ขาดน้ำก็หาน้ำมาให้ขาดยาก็หายา ม, มาให้ขาดเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้ามาให้โดยที่ลูกๆไม่ต้องขอ ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยไม่ต้องบอกเลยเราก็ต้องแบบเดียวกับพ่อแม่พ่อแม่ของเรานี่เป็นคนที่สำคัญกว่าแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญเหมือนกับเราให้ความสำคัญกับลูกๆของเราเรากลับมาห่วงใยลูกของเราทั้งๆ ท, ที่ลูกของเรานี่มันไม่มีบุญมีคุณอะไรกับเราเลย มันเป็นเจ้าหนี้ที่คอยมาทวงหนี้จากเราแต่เรากลับมาคอยเป็นห่วงเป็นใยกับลูกๆคอยดูแลลูกๆแทนที่จะดูแลพ่อแม่ห่วงใยพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเรามากแต่ลูกๆนี้มันไม่มีบุญมีคุณอะไรกับเราเลยแต่เพราะความหลง ความที่คิดว่าเขาเป็นของเราเป็นลูกเราเขาออกมาจากท้องเราเราก็ไปรักไปห่วงเขาไปห่วงเขาแต่คนที่เขามีบุญคุณกับเราเรากลับไม่รักไม่ห่วงเหมือนกับคนที่ไม่มีบุญคุณถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาเตือนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะไปห่วงลูกๆมากกว่าห่วงพ่อห่วงแม่ แตนะ่ถ้าเรามีคำสอนได้ยินได้ฟังคำสอนของพ่อพระเจ้านะเราจะได้รู้ว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่การทดแทนบุญคุณพ่อแม่นี้เป็นการบูชาพบคุณของพ่อของแม่เป็นบุญคลอย่างยิ่งคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี่และเป็นคนที่เป็นคนดี คนใดก็ตามถ้าไม่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วบอกว่าตอนเองเป็นคนดีนี้ก็จะบอกแต่เป็นคำพูดเท่านั้นเองไม่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วคนดีจะต้องรู้จักบุญจากคุณของผู้มีพระคุณและรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่างวันนี้ เป็นวันพ่อทางราชการก็ได้กําหนดไว้ให้พวกเราได้มีวันหยุดหนึ่งวันเพื่อให้เราได้ไปบูชาพ่อบูชาแม่ทดแทนบุญคุณของคุณพ่อของคุณแม่การบูชานี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันบูชาที่เรียกว่าอามิสบูชาและบูชาที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชา อาวิสบูชาก็คือการเอาสิ่งของไปไปกราบไปไหว้เช่นเอาดอกไม้ทุบเทียนไปคารวะไปกราบไหว้พ่อกรบไหว้แม่เรียกว่าอาวิสบูชาส่วนการปฏิบัติบูชาก็คือการดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่รับใช้พ่อแม่เวลาพ่อแม่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ เราก็ให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำตัวของเราให้เป็นคนดีเพราะพ่อแม่นี้จะมีความสุขถ้ารู้ว่าลูกมีความดีถ้ารู้ว่าลูกมีความเจริญแต่ถ้าพ่อแม่มารู้ว่าลูกเป็นคนไม่ดีลูกเป็นคน ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อืน่นแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางพอพ่อแม่ได้ทราบข่าวก็จะมีความเสียใจมีความทุกข์ใจถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ของเรามีความสุขเราก็ต้องทำตัวของเราให้เป็นคนดีอย่าทำตัวของเราให้เป็นคนไม่ดีเช่นไม่เสพสุรายาเมา ไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตะไม่มีความเกียดครา้าสไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่ทำบาปทำกรรมต่างๆไม่กระทำผิดกฎหมายต่างๆไม่มีอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพนี่คือสิ่งที่ลูกๆควรที่จะคำนึงเวลาทำอะไรเพราะการกระทำของเรานอกจากมีผลกระทบกับเราแล้ว ยังมีผลกับทบกับบิดามารดาด้วยถ้าเราสุขบิดามารดาก็สุขกับเราถ้าเราทุกข์บิดามารดาก็จะทุกข์กับเราถ้าเราติดคุกบิดามารดาก็ต้องติดคุกกับเราดัางนั้นถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่มีความสุขมีความเจริญเราต้องบูชาทั้งสองแบบบูชาด้วยอามิสบูชา มีข้าวของมีสิ่งอะไรก็ติดไม้ติดมือเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คอยสอดส่องดูแลความเหลือดนอนของพ่อแม่ความขาดแคลนของพ่อแม่แล้วก็พยายามเอาไปให้พ่อให้แม่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วเราก็ทำตัวของเราให้เป็นคนดีอย่าทำาชั่อทำแต่ ความดีแล้วพ่อแม่ก็จะมีความสุขเวลาตายก็จะนอนตายนอนตาหลับตายจะไม่หวาดผวาจะไม่ห่วงไม่กังวลกับความเป็นความเป็นไปของลูกลๆนี่คือเรื่องของการล้ำลึกถึงบิดามารดาล้ำลึกถึงพรอคุณและตอบแทนพระคุณของบิดามารดา เรียกว่าเป็นการบูชาทั้งอาวุสบูชาและปฏิบัติบูบชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าปูชาจะปูชนียานำเอตมังกะละมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต จึงขอฝากเรื่องของการนำบลึกถึงพระคุณของบิดามารดาและการทดแทนบุญคุณของบิดามารดานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพจพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา